มันน่ากลัวตรงที่ในสังคมนี้คนที่ภาพดีๆนะคนที่ภาพพดดีๆมันกินเลือดกินเนื้อคนอื่นเนี่ยคนไม่ระวังน่ากลัวอย่างถ้าสมมุติบ้านไหนของหายเจ้าของรู้ว่าของหายแล้วิ่งออกมาหน้าบ้านเห็นคนสองคนกำลังเดินไปจากบ้านตัวเองคนหนึ่งเดินไปขึ้นรถเก๋งอีกคนหนึ่งเดินกระต๊อกกระยักกัไป ต้องจับไอ้คนจนไว้ก่อนเหราะงั้นผู้ร้ายในคราบผู้ดีมันถึงน่ากลัวนผู้ร้ายในคราบนักปฏิบัติในนี้น่านกลัวที่สุดเลยทําลายศาสนาอไปถึงไหนล้วเมื่อเช้าเอาว่าไปครับก็ที่ช่วงที่ผ่านมานี้ถูกกิเลสลเละหักไปเยอะครับอืมมันลากไปไหนละ่ะ ลากไปดีไหมลากไปไม่ดีครับ อ, อ, อหน้าที่ของกิเลสต้องลากเราไปไม่ดีครับหน้าที่ของเขาอย่าไปเกลียดเขานะเขาทาหน้าที่ของเขาอย่างซื่อตรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกิเลสก็มีหน้าที่ลากเราไปอบาย <c oughs> งานของเขาหน้าที่เราก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้กิเลสบางตัวหน้าตาจุ๋มจิ๋มนะ อ, อบางตัวหน้าตาดูร้ายอกิเลสที่หน้าตาหวานหวานเนี่ยน่ากลัวครับ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 กับนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะช่วงสองอาทิตย์นี้รู้แต่แบบซือบือ้อไปกดไปไม่ได้ <c oughs> แล้วมันจิตมันจ้าออกไปแล้วก็อย่างพวังที่ที่ระหว่างจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อพวังตัวนี้มันมีมีไหมคะที่ว่าจะเหมือนกับแบบมันนานานะคะ <c oughs> มีนานเท่าไหร่ก็ได้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 ถ้าแวบลงไปแล้วหายไปนานอย่างไปนอนหลับอยู่ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าเราเหมือนกับรู้สึกอยู่หน่อยๆแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ส่วนมากจิตติดอะไรเข้าแล้วอันนี้คือติดในความนิ่งนะคะติดติดความนิ่งติดความเงียบ ต, นนติดความสงบช่วงนี้จะค่อนข้างจะเป็นแบบเนี้นะคะ่ะเลยนะประมาณติดซื่อบื้อไปนิดนึงเวลาะะเขาลงไปเพื่อพักผ่อนเนี่ยไม่ว่าเขาค่ะ บางครั้งจิตต้องการพักผ่อนจิตก็ลงตรงนี้ยาวหน่อยอแต่ว่าพอเขาขึ้นมาแล้วรีบตามรู้ไปแต่ถ้านั่งมาหลายวันแล้วก็อยู่แต่ตรงนี้ไิ่นะก็ะต้องพยายามกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวเดินโจงกลมอะไรให้มากๆหน่อยยังไม่มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมไปจากนี้นะค ะ, อะขอบพระคุณ<า>ค่ะบางช่วงที่เราภาวนานะจิตมันเดินสติเดินปัญญาเต็มเหนียลวละแล้วอยู่ๆมันหยุดพักไปเฉยๆนะ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 แข้งขาเหยียดไปเลยนะไ ม, ไม่ไม่เคยเป็นโอ้กลุ้มใจนะจะทำยังไงทำไมเราขาดสติร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยไม่เข้าใจการปฏิบัติหาทางทำยังไงดีเนาะไปเดินจงกลมเดินก็เดินหลับอีกนะ่าทำได้นะเดินหัวโขกฟ้าโป้งโอ้แย่จังนั่งขัดสมาธิเพชรเอาอย่างหลวงปู่สิมขัดสมาธิเพชรใครเคยทำไหมใครเคยทาเรศอร่อยมากนะ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 ไปกราบท่านเล่าให quart, qui, ้ท่านฟังแล้วบอกผมจะทำยังไงดีท่านไม่บอกนะว่าทํำยังไงท่านบอกแค่ว่าผู้รู้ผู้รู้อย่าสงสัยเลยทําไปเถอะเดี๋ยวจะได้ของดีในพันศานี้แหละคือกระบวนการของจิตใจเนี่ยพะเรายังไม่เข้าใจนะบางช่วงมันเกิดสภาวะที่แปลกๆก็ไปถามครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ลําบากหน่อยต้องค่อยสังเกตเอา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 สงไปอช่วนี้ซึมมัวแล้วก็ไม่สดชื่นค่ะทำไมล่ะไม่ทราบยิ้มไว้สิเนี่ยถ้าสดชื่นไม่ทําใจเหี่ยวเหียวมันก็ไม่สดชื่นสินะต้องเอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้ตั้งแต่เป็นคราวาสเนะเดินในทรรเนียบก็เดินยิ้มไปเรื่อยๆเป็นสัญลักษณ์ของความสุขแล้วตอนนั่งสมาธิมัน ทึบๆแล้วเจ้าค่ะกระดูกกระดีกไว้แล้วก็ปลุกใจให้มันคึกคักข้าวหารเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง mm hmm. เช่นไปหาที่ภาวนาที่มันน่ากลัวอย่างเงี้ย <c oughs> ตรงไหนน่ากลัวแต่ว่ากลัวผีกลัวสัตว์กลัวงูอะไรอย่างเงี้นะไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวคนนะคนร้ายกว่างูร้ายกว่าสัตว์ร้ายกว่าผีนะเป mm hmm. ็นผู้หญิงต้องระมัดระวังแล้วก็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 เห็นแค่งูก็เอามาเล่าได้ละรุ่นต่อไปนะคงอย่างนี้ว่วันนี้เห็นหมดคันไฟมันขึ้นมาถึงอาสนะแล้วโอ้โหหน้าหวาดเสียถ้ามันกัดนะคงเป็นตุ่มพุพองคงส่งกันบ้านแบบนี้นะหน้าอาเนจอนาด <c oughs> ช่วงนี้ต้องเทศแบบผ่อนคลายหน่อยนะว่าหน้าตาแต่ละคนพร้อมจะหลับไปกินข้าวมาใหม่ๆ เอาไปถึงไหนละเพิ่งเริ่มปฏิบะะัติกายอยากทราบอย่าเครียด น, น่น ะ, อ, ะอย่าซีเรียสให้ทําให้สบายๆนะยิ่งยิ่งตั้งใจมากนะยิ่งยากทําเล่นๆคอยแค่รู้ความรู้สึกของเราที่เป็นปัจจุบันนะตอนนี้นนทําถูกหรือยังคะใ ช, ใช้ได้แต่เครียดไปนนทาให้สบายๆรู้เล่นๆส่วนคนนี้เพ่งมากไปเ <c oughs> อาพูดก่อนเดี๋ยวว่าฉเฉลยหมด <c oughs> <c oughs> เอาว่าไปกาบนาสการหลวงพ่อผมปฏิบัติมานั่งสมาธินั่งไปแต่แป๊บนัองก็หลับแลครับมันหลับแล้ยังไงครับอืมกระดุกกระดิกไว้นะนั่งน้อยเดินเยอะนั่งสมาธิดูกาหนดลมหายใจแล้วก็หลับง่ายนั่งนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจแล้วมันหลับง่ายครับผมมันหลับง่ายสิครับกระดุกกระดิกไว้แล้วเวลานั่งสมาธิก็อย่าหลับตาลืมตาไว้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 เพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งอากาศนั่งเล่นไปเรื่อยๆไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่านั่งหายใจอย่างเดียวก็สงบลงไปแล้วไม่รู้จะไปยังไงต่อก็เลยไปเล่นนู่นเล่นนี้ไม่มีประโยชน์เสียเวลายี่สบสองปีเสียไปอย่างน่าเสียดายเลยแต่มันทำให้เราพูดได้เต็มปากนะว่าเดินอย่างนั้นไปไม่รอดหรอก <c oughs> <c oughs> ค่อยปล่อยอย่าให้จิตนิ่งกลับข้างนะ แต่เดิมหัดใหม่ๆบอกว่าฝึกไปให้จิตนิ่งตอนนี้นิ่งเกินไปแล้วนิ่งจนซึมให้จิตเคลื่อนไหวไว้แล้วตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆต้องสู้นะเราอุตส่าห์พักเพียพรภาวนามาได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาหรอกแต่อย่าเอาแค่นี้อย่ามักน้อยภากเพียรเอาให้ได้วิปัสสนาเน่ยใจลอยแว บ, บๆทราบไหมใจแอบไปคิดเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหม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 ช่วยกิจกรรมช่วยช่วยพระาสนาอยู่แล้วก็มันคิดได้ว่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวหลวงพ่อไม่อยู่แล้วรีบมาดีกว่าดีอย่าประมาทนะช่วยตัวเองก่อนเพราะว่าพี่มารีบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้เอาน้ำบ่อ น, น้อยเนี่ย ม, มาทำตัวเองให้สะอาดก่อนอแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นเนอนะ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 ดีละอ่าเบอร์ห้าเบอร์นี้ต้องเปลี่ยนจะต้องเอาออกเบอร์นี้เบอร์ห้าฟังแล้วไม่ค่อยดีค่ะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะแล้วก็แต่ก่อนที่สาราลุงชินหลวงพ่อบอกว่าโยมเพ่งมากๆให้เลิกปฏิบัติตอนนี้ก็ยังบางครั้งก็เพ่งบางครั้งก็ดูออกหรือยังว่าเพ่งดูออกแล้วไม่ค่อยมีปัญหาละบราคนหลวงพ่อบอกเพ่งนะเถียงหน้าผมไม่ได้เพ่งเสนหน่อยฉันไม่เคยเพ่งเลยค่ะ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 แล้วเบอร์สิบสองอะลดการบังคับลงนะยังไม่หมดนะดูออกไหมบังคับสังเกตไหมบังคับแล้วไม่มีความสุขจริงหรอกปล่อยมันไปแล้วตามดูมันไปอ่าเบอร์ห้ <5 S 2> ค่ะแล้วก็บางครั้งอะค่ะโยมคิดอย่างหนึ่งแล้วมันคือความจริงที่อยากจะพูดแต่กลายเป็นพูดอีกอย่างหนึง่งโยมต้องแก้อะไรคือไปทําอะไรผิดไหมคะหรือว่าไม่ผิดหรอก<ะ>มันสอนธรรมะเราว่าแก่บังคับฉันไม่ได้หรอกนะ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 เห็นไหมการภาวนานี่ยแหละอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองทําได้ยังขับรถอยู่ออกจากบ้านจะรีบไปธุระแหมเจอไฟเขียวตลอดดีใจใช่ไห ม, มจะรีบไปธุระมีแต่ไฟแดงแนละ้วมันงุดหงิดนะระวนกระวายกลัวไปไม่ทันงุดหงิดรู้ว่างดหงิดงุดหงิดยามวัวจะไปด่ารจราจรนะว่ามันเปิดข้างโน้นข้างเดียวสงสัยแม่ยายมันจะมาให้รู้เา่างดหงิดรู้ว่างดหงิด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 รู้สึกไหมเวลาเราหายใจออกหรือเราเวลาเรากลุ้มใจนะเราถอนใจทีหนึ่งนะั้นมันผ่อนคลายได้นะเพราะเราหายใจออกก่อนนะเวลาทํากรรมฐานถ้าทําลมหายใจหายใจออกไปนะจิตจะรวมทันทีเลยนะจะสงบทันทีเพราะว่ามันมีความสุขแต่ถ้าเริ่มต้นอย่างนี้นะ <c oughs> มันจะไม่สงบนะ3มวันก็ไม่สงบนะมันอยู่ที่เคล็ดลับอยู่ที่ต้องสบาย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 แต่ต้องดูเรื่อยๆนะม่ะงันเสือบูบเดี๋ยววนของกลับบ้านแล้ว <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนำหรือเปล่าที่ฝึก อ, อยู่ <คะ S 2> ใช้ได้แล้วใช้ได้แต่อย่าขี้เกียจนะค่ะขอบคุณค่ะจำกระต่ายได้ไหมนะตึกกระต่ายอ่ะกระต่ายเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าดูใจดูจิตเนี่ยเสร็จแล้วไปที่ศูนย์การค้าเห็นกระเป๋านะอยากได้รู้ว่าอยากได้ เผลออีกรูปหนึ่งนะไอ้กระเป๋ามาถึงบ้านแล้วอ่าตึกว่าไปอุทยัยอุอททีมนี้หายไปไหนคนไซส์เนี้ย พ, พี่เป็นมัสการดีหลงพ่อครับก็ยังก็ยังประคองอยู่ฮก็อย่าไปประคองมันซิไม่ต้องรักดีครับไม่ดีก็ได้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 อย่างเช่นมีราคาปุ๊บเนี่ยแล้วสู้ไม่ได้ปุ๊บมันเกิดโทสะขึ้นมาโทสะขึ้นมาปุบดูโทสะผมดูได้แต่โทสะไม่ดูดูตัวสุดท้ายเป็นตัวก่อนๆเป็นอดีตไปหมดแล้วับตัวตัวที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับของผมเขาเล่ามาหมดแล้วครับเท่าที่สังเกตตัวเองก็คือต้องคอยทําจิตใจให้กระตือรือร้นไว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 และไม่อนุญาตหรือสังคมที่เปลี่ยนเนี่ยมันทําให้ระบบพระง่อนเงนขึ้นมาอย่างคนแต่ก่อนลูกเยอะใช่ไหมไปบวชซะบ้างดีจะได้ไม่ต้องแบ่งนาให้เดี๋ยวนี้ลูกน้อยไปบวชไม่ได้นะร้องผมร้องไห้ตีโพยตีพายแล้วหาคนบวชนานๆไม่ได้เมื่อก่อนจะใกล้ๆพรรษาก็าบวชเพื่อจะเข้าพรรษาเดีนน๋ยวนี้ใกล้ๆพรรษาต้องรีบศึกนะกลับหัวกลับหางไ้หมดแล้วนะ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 มันต้องเรียนนะบางคนบนหนะลวงพ่อมาทีไรก็พูดแต่เรื่องดูกายดูใจมีสติเนี่ยถ้าตัวนี้หายไปก็คือศาสนาพุทธหายไปไม่มีคนจเจริญสติโลกก็ว่างจากพระอรหันต์ว่างจากพระอริยะศา ส, สนาพุทธจะมีคุณค่าอะไรมันก็พูดแต่ปากนะตอนคนไทยไม่มีศาสนานะบางคนพยายามไปเขียนรัฐธรรมนูญจะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเขียนตรงๆเลยบอกคนไทยไม่มีศาสนา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 จนกระทั่งเราสามารถเห็นว่ากิเลสก็กิเลสเลยจิตก็จิตสิไม่เกี่ยวกันนี่ค่อยฝึกไปอ่ะคุณต้อง okay. อันนี้ไม่มีอะไร อ, อคุณต้องยังบังคับอยู่นิดนึงอแมวค่ะเ อ, อ่อตอนนี้กำลังสนใจตัวมโมหะนะคะคือถ้ามันมาแรงๆก็เห็นชัดแต่ว่าถ้ามันค่อยๆเบาๆไม่ค่อ ย, ยเห็นรู้เท่าที่รู้ได้ก่อนนะโมหะดยูยากที่สุดเลย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 อย่างเช่นสงสัยว่าในอาหารเนี่ยมีเหล้าอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าสงสัยก็ไม่กินมันหรือว่ากังวลใจคนเอาเข้าวหมากมาถวายเอ๊ะมันมีแอลกอฮอล์นนะอย่างเงี้ยนี่แต่มันเป็นขนมหรือมันเป็นเหล้าจะตีความว่ายังไงนะเอากินไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> นี่อาบัตเลยนะนะเพราะฉะนั้นถ้าสงสัยไม่เอาไม่ทำนะถ้าสงสัยก็เว้นไ้ก่อนแล้วค่อยศึกษาเอาว่าปลอดภัยจริงๆค่อยทา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 นวัสการหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาดีดีขึ้นไหมครับดีขึ้นแต่ลดการบังคับลงอีกนิดหนึ่งนะยังแข็งเกินไปนิดหนึ่งหลังมีสติรู้ตัวบ่อยขึ้นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถูกล้รู้จักที่ฟังซีดีหลวงพ่อคือใส่ทั้งวันเออฟังไปเรื่อยๆใช้วิธีนี้ก็ได้ใช่มใช่ได้ฟังแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นมันค่อยรู้เองครับจิตใจไม่เหมือนเดิมแล้วรู้สึกไหมรู้สึกครับเออนั่นแหละใครมาเรียนกับหลวงพ่อนะต้องร้องเพลงว่าไม่เหมือนเดิม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 ค่ะหรือว่าค่ะก็อ่าปฏิบัติมาก็รู้สึกดีขึ้นค่ะเพราะว่าพอเาาราบรรลุตัวปุ๊บเนี่ยมันจะหัวล้อครัมันจะขาว่าเอ้ยเรารู้แล้วนะแล้วก็ก็ตามรู้ไปอะคะ่ะแต่วขายังมีปัญหาตรงที่ว่ามันชอบไปคุกอยู่กับคุกอยู่กับสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นนะคะเอก็พยายามตามรู้ให้ได้อะคะ่ะดีแล้ ว, ลวค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็เพราะออวันนี้คุณแม่มาด้วยค่ะหนูปฏิบัติมาห้าครั้งแล้วคุณแม่ไม่เคยมาเลยพอหนูก็เริ่มปฏิบัติเรื่อย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 ภรรยามาภาวนาไปนานๆนะเอ๊ะเมียเราทำไมดูใจเย็นเมื่อก่อนขี้บน่นบางทีมือวายใจเร็วไม่บ่นอย่างเดียวแต่หลังๆนี้นะหน้าตาชักของใสดูสาวขึ้นดูเด็กขึ้นดูสวยขึ้นด้วยนสายใจคอก็ดูดีขึ้นเลยสงสัยว่าโดนสะกดจิตหรือเปล่ามาดูก็มีนะดูมาตามมาแล้วก็มาฟังฟังฟั ง, ฟงเข้าใจ เข้าใจหลายบ้านนะที่มาอยู่อย่างเงี้ยมาทีแรกมาคนหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาบางคนฉลาดนะเอาซีดีหลวงพ่อไปพอขึ้นรถปุ๊บเสียบเลยเปิดอคนที่นั่งอยู่ด้วยอยากฟังไม่อยากฟังไม่รู้อะมันฟังไปเรื่อยๆมันหนึงใจเขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าบางคนเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยนะไม่ได้เจตนาฟังเนี่ยภาวานาดีกว่าคนที่ตั้งใจฟังเพราะอะไนั้นบังคับไม่เลิก อยู่วัดก็มีแปลกๆนะคุณมาลีเนี่ยต้องร้องทุกข์กับเมียตำรวจเมื่อวานสื่อ น, นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาขอเข้ามาหลวงพ่อบ้านอยู่แถวๆนี้นั่งรถผ่านไปผ่านมาเอ๊วัดอะไรว่ามีวันหยุดด้วยมีเวลาเปิดเวลาปิดสงสัยว่าสมพานมันจะขายยาเสพติดดูว่าดูทำไมมันสงสัยอย่างนั้น มีเวลาเปิดปิดก็มีขายยาเสพติดค ง, คงปิดแล้วไปขายยาเสพติดฝึกไปนะให้มันมีความสุขกรมนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือช่วงประมาณ20นาทีที่แล้วเนี่ยรู้สึกง่วงเหงาหานนง่อนซึมๆอาหารมันย่อยแล้วล่ะ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 งานหลักของเราคือรู้กายรู้ใจนี่ไปส่งตอขอบพระคุณค่ะอา้าวคุณเบนวันนี้เป็นไง ว, วันนี้ง่วงนอนอแล้วไงอีกเป็นกลางไหมไม่เป็นไม่เป็นกลาง <c oughs> ใช้ได้ตัวนี้ดี <c oughs> ไม่ใช่ดีที่ไม่เป็นกลางนะีบางคนสงสัยดีที่รู้ว่าไม่เป็นกลางห <c oughs> ลวงพ่อพูดสั้นนิดหนึ่งไม่ได้เลยจับผิด อาว่าไปนมัส ก, กางหลวงพ่อครับก็เมื่อกี้ตอนไม่อยู่แถวหน้ารู้สึกตื่นเต้นมากพอไม่มาถึงตัวเองก็ตื่นเต้นน้อยลงนิดหนึ่งอ่าท่องอย่างนั้นก็ตั้งแต่ไปหาอไปฟังหลวงพ่อที่สระลงชินมาเมื่อสามเดือนที่แล้วครับจนมาถึงวันนี้ก็หัดรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีปฏิบัติตามรูปแบบบ้างตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับแล้วก็มีโมหะบ่อยครับอืครับ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 ให้ฝึกไปเรื่อยตามรู้ไปเรื่อยๆขอบพระคุณครับตอนนี้ติงเตนอีกนิดนึงเดี๋ยวไม้ไปคงจะหายครับเนี่ยตอนส่งไม้เห็นไหมเผลอไปแล้วเห็นไหมเราเผลอไปนมัตสการหลวงพ่อครับเท่าที่ผ่านมาก็ตามรู้ตามดูไปเี่ยบางครั้งพอรู้ตัวว่าเริ่มเพ่งก็จะใช้วิธีสูตรลมหายใจลึกๆแล้วก็นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าครับให้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็กลับมาดูอีกทีนใช้ได้ใช้ได้ฉลาด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 ปฏิฆะค่ะคือมันโทสะก็ไม่ใช่แต่มันเป็นขุนเล็กๆแ ล, แ, ลแล้วดูแล้วมันดูยากมันก็ไม่ค่อยหา ย, ยาไม่ต้องะะให้หายน ะ, ะที่อยากให้หายนะ่ะทำให้มันไม่หายตรงที่อยากให้หายนะั่นแหละโทสะอ๋อค่ะก็คือแต่พอแต่พอเห็นว่ามันโทสะแล้วพอมันจางไปมันก็เป็นปฏิฆคะขคุนๆมา อ, อีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีโทสะจริตยืนพื้นไหมล้วก็ดูไปเรื่อยๆ โทรศัวสาดีนะดูง่ายค<า>่ะอะได้แค่นี้นะเชิญโยมกลับบ้าน